ส่วนอาหารของพ่อชงได้แก่โยนิโสมนสิการอาณาอาหารได้แก่การขาดมนัสิการข้อก่ออาหารและอาาอาหารของนิวรณ์หมีดังนี้ 1. กามฉันทะมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในสุภณิมิต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 ในความริเริ่มก้าวหน้าบากบันอาหารและอาหารของนิวรณข้อที่สอุททัจกกุกุจจะมีอาหารคืออโยนิสมะนสิการในภาวะหรือเรื่องที่ใจไม่สงบอาหารคือโยนิสมะนสิการในภาวะเรื่องราวที่ใจสงบอาหารและอนาหารของนิวรณข้อที่5้าวิจิกิจฉา